นอบน้อมต่อคุณพรตัตนตรัยข้าการเพื่อนสามิกทุกท่านจเจริญธรรมตามเนนไม่ชีและญาติธรรมทุกท่านก็นั่งสบายๆเนาะในคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยมีมากมายนะจะเรียกได้ว่าแปดหมื่นสี่พันมคันแต่ถ้าย่อลงมาแล้วก็จะเหลืออยู่แค่สองอย่างเท่านั้นนะก็คือ ประการแรกคือให้เราเห็นความทุกข์นะรู้จักความทุกข์ให้ได้ประการต่อมาคือให้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นนะอันนี้เราต้องจับประเด็นให้ถูกต้องแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่มาประธรรมไปทำไมเนาะประการแรกเราเห็นความทุกข์หรือยังที่มาที่เราสวดมนต์ทำบัตเชาทุกวันน ะ, ะการเกิดก็เป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์ ความโศกความลําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์พลาดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้ง5้าเป็นตัวทุกข์นะก็คือกายและใจนี่แหละเป็นตัวทุกข์นะนะก็ความทุกข์จึงมีทั้งกายและใจนะ ทางกายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราไม่สามารถจะแก้ไขเขาได้เนาะเป็นแค่การบรรเทาทุกข์เท่านั้นเองใช่ไหมเราหิวเอไปทานอาหารก็บรรเทาทุกข์เสร็จแล้วก็ต้องหิวใหม่เนาะเราง่วงไปนอนนะก็อ่าก็ต้องง่วงนอนใหม่นะก็แก้ไปอย่างเงี้ยใช่ไหมปวดเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาเดินอนะ่เดินเสร็จก็ต้องมานั่งใหม่แล้วมันนอนเนะี่ย นอนเสร็จก็ต้องตื่นขึ้นมาใหม่ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินยืนนั่งนอนอยู่นี้ตลอดเวลาเนาะเก็บไข้ได้ป่วยนะมันก็ เ, กนเป็นแค่เยียวยาเข้าไปเท่านั้นเองมันรักษาไม่หายขาดหรอกความทุกข์ในทางร่างกายมันแก้ไม่ได้เพราะเมื่อไรที่เรายังมีร่างกายอยู่ก็ต้องดูแลบำรุงเข้าไปเหมือนกับรถยนต์นะรถยนต์นี่มันต้องดูแล ด, ดูแลบำรุงซ่อมบำรุงไปเรื่อยๆร่างกายก็เหมือนกันก็เหมือนรถยนต์นั่นแหละ ต้องคอยดูแลซ่อมบารุงไปเรื่อยๆนะมันมันแก้ไขให้กระดับทุกเด็ดขาดไม่ได้เนาะส่วนจิตใจนี้นะมันมันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงอันตรายนะทำให้คนฆ่าตัวตายได้แล้วก็เป็นความทุกข์ที่มากกว่าร่างกายเนาะแต่ว่าจิตใจเนี่ยความทุกข์ทางใจสามารถที่จะดับหรือว่าทําให้หมดสิ้นไปดัอย่างเด็ดขาดได้เนาะอันนี้มันจึงต่างกับร่างกาย มันก็พระหันท่านก็ <c oughs> มีความทุกข์ในทางร่างกายแต่จิตใจท่านก็ไม่ทุกข์แล้วพ้นจากความทุกข์แล้วเนาะเพราะการที่เรามาปฏิธรรมหมายความว่าเราอ่ามาที่จะทําให้ความทุกข์ในทางใจของเราเนี่ยดับไปหมดไปเนาะไม่ได้ไปแก้ทางกายนะอันนั้นเราก็เป็นสิ่งที่เราบํารุงรักษาอ่าเพราะฉะนั้นการปฏิธรรมเราจึงต้องกลับมารู้จักกายและใจของเราให้ดีเนาะเราทํามาแก้ในตรงนี้เนะี่ยจึงว่าเออเรามาปฏิธรรม นะเพื่อความดับทุกข์ท่านั้นเองนะนะอันนี้จะตรงกับที่พุทธพจน์เลยนะแต่ถ้าเราปฏิบัติเพื่อเหตุอย่างอื่นแล้วมันก็ไม่ถูกทางเราก็จะเสียเวลานะแล้วก็จะทําให้เราวกวนนะอยู่ในความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเนาะเพราะฉนั้นเป้าหมายในการปฏิบัตรรนะิก็คือปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นั่นเองนะก็คือให้เห็นความทุกข์แล้วก็ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เนะี่ยตรงนี้จะเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องและตรงที่สุดใช่ไหม อครั้งนี้การที่เราจะบัตรเพื่อความดับทุกข์กจะทําอย่างไรนะก็มีในที่พระเจ้าก็ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสี่ก็คือกายเวทนาจิตและธรรมนะกายก็คือให้รู้ในการอิบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนเนาะตรงเนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราไม่อยู่ในอิบทใหญ่อื่นอีบทใดอิบทหนึ่งก็ต้องอยู่ในตรงนั้นอยู่แล้วนะไม่พ้นจากยืนเดินนั่งนอนอิบทย่อยต่างๆนะก็เช่นนะ เหลวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนทร <c oughs> งจีวรสังคาติดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจจาระปัสสาวะต่างๆเหล่านี้ก็ให้เรารู้ไปในการมต่างๆเหล่านั้นนะก็คืออบทใหญ่หรือบทย่อยต่างๆที่เราอยู่ในชีวิตประจวันเรานั้นเองนะมันไม่ได้หนีจากตรงนี้ไปได้ก็ให้เรารู้ทันไปในอบทต่างๆนะจนทั้งจิตนี้เรามีความละเอียดสามารถรู้ใน ทางร่างกายแล้วก็จะไปรู้ให้ทางจิตใจได้ชัดเจนนะเราก็จะรู้ในเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือเฉยๆนะของกายและใจที่ปรากฏขึ้นนะรู้จิตใจของเราได้ทันนะรู้ว่าออขณะนี้มีโทสะเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีโทสะเกิดขึ้นนะโทสะไม่มีก็รู้ไม่มีนะนะมีราคะเกิดขึ้นก็รู้มีราคะจิตไม่มีราคะก็ๆๆๆรู้ไม่มีราคะ จิตมีโมหะก็รู้มีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รูไม่มีโมหะจิตตั้งมั่นรู้จิตตั้งมัน่นจิตไม่ตั้งมัน่นกร็รูจิตไม่ตั้งมัน่นนะเราก็สามารถเห็นจิตใจเราได้นะเราก็สามารถที่จะเห็นธรรมในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะของธาตุสี่นะอริสัตถสี่นะขันห้านิวรห้าอริยทนะหโพชฌงเจ็ดต่างๆแล้วเนี่ย เป็นภาวธรรมที่เราเห็นอได้ชัดเจนนะในการเกิดดับของสภาวธรรมแต่ละอย่างที่สามารถเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเนานี่ก็คือเมื่อเมื่อเราเดินทางนี้แล้วก็จะเดินไปตามอ่าสติปัฏฐานสี่นี่แหละเป็นหนทางความพนนะ้นทุกข์นะคราวนี้ท่านก็ให้เริ่มต้นในในทางร่างกายของเราก่อนเนาะเราก็กลับมารู้อาการในปัจจุบันนี่แหละ ว, ว่ากําลังทำอะไรอยู่ขนาดที่เรานั่งเรารู้ไหมว่าเรากําลังนั่งเนาะ หรือเรากาลังอยกมือสร้างอย่างไรรู้ไหมว่ากำลังยกมือสร้างอย่างไรบางท่านอย่าพลิกมืออ่าขยับนิ้วเล่นหรือคลึงนิ้วนะรู้ไหมขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่เนาะกลับมารู้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะก็คือกายเคลื่อนไหวใจรับรู้ไหมนะถ้าใจกายเคลื่อนไหวใจไม่รับรู้มันก็หลงไปนะกลายเป็นความเคยชินเนาะเพราะฉะนั้น <c oughs> ในชีวิตประจำวันที่เราเคยผ่านมามันจะเป็นอความเคยชินเป็นส่วนใหญ่เนาะ อย่างเช่นการแปรงฟันเราก็แปรงบันละสามสี่ครั้งใช่ไหมเราก็เคยถามไหมว่าแปรงนั่นแปรงได้ความรู้สึกตัวหรือเป็นความเคยชินเนาะบางท่านบอกว่าเออเราก็รู้สึกตัวได้มั้งเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนะส่วนใหญ่ก็คือความเคยชินนั่นเองเนาะเราทำโดยที่เราไม่ต้องไปอาศัยความรู้สึกตัวก็ได้มันเป็นความเคยชินอยู่แล้วชิบจําบันเราแทบทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าเราจะอาบนะ้าแปรงฟันล้างหน้า ซักเสื้อผ้าพ้าผ้าหม่มหรือว่าการเดินไปเดินมามันส่วนมากทำในความเคยชินนะเดินแล้วก็คิดไปเรื่อยๆเออจะไปไหนอะจะทําอะไรอ่าต่างๆเหล่านี้มันเป็นการเดินไปแต่ไม่ได้กลับมารับรู้ว่าขณะนี้กำลังเดินเนาะเพราะฉะนั้นการที่เรากลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่เท่านั้นเองนะแค่เนี่ยเป็นการปฏิธรรมแล้วนะนั่งรู้ว่าเรานั่งเออเป็นการปฏิธรรมแล้วนะ ยกมือสร้างแบบก็ร erm ู้กลางยกมือสร้างบะก็เป็นการบัดทมแล้วตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ว่าเรากลับมารู้ในปัจจุบันเท่านั้นเองนะปัจจุบันกําลังทําอะไรอยู่กลับมารู้เท่านั้นวกกลับมากลับมารู้สึกตัวนะกำลังทำอะไรอยู่นะนั่งก็กลับมารู้สึกตัวกําลังนั่งเดินก็กลับมารู้สึกตัวกำลังเดินนะยืนก็กลับมารู้สึกตัวกาลังยืนนะอ่าพลิกมือสร้างแบบก็รู้ในขณะนั้นว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยแะคือกลับมารู้ในปัจจุบันนะ อ่าเพราะฉะนั้นการเป็นปัจจุบันนี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญว่าเรากลับมันรู้อยู่ปัจจุบันได้ไหมใช่ไหมอ่าการอยู่ปัจจุบันนั้นมันมันเป็นสิ่งเราไม่ต้องคิดนะเช่นเรานั่งก็ไม่ต้งคิดว่ากำลังนั่งหรือสร้างหวะก็ไม่ได้คิดว่ากําลังสร้างหยวะหรือเดินก็ไม่ต้องคิดว่ากำลั ง, ง, งเดินนะแต่มันเป็นการรู้เท่านั้นเองนะเป็นการรู้ว่าปัจจุบันนี้กำลังทำอะไรอยู่ที่รู้เพราะว่าเป็นความจริงนะความจริงคือสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้นั่นแหละ เป็นปัจจุบันเป็นความจริงเนาะแต่ถ้าเมื่อเช้าเราทานข้าวกับอะไรก็ต้องเป็นนึกนะทานข้าวกับอะไรบ้างหรือพรุ่งนี้จะทําอะไรก็ไปนึกไปคิดเอานะเพราะฉะนั้นความจริงก็คือปัจจุบันนี้เท่านั้นนะตรงนี้ไม่ต้องใส่ความคิดแต่เป็นแค่การรู้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราสร้างจังหวะมันจะออกจากความคิดได้มากลับมารู้เฉยๆนะหรือว่าที่เราเดินทางไหลแหลก็กลับมารู้ได้เท่านั้นเองนะไม่ได้ไปคิดอย่างที่อาจารย์ไปสารเทศเมื่อวานนี่นะ ถ้าบอกว่าบางทีเราก็ไปคิดต้องเยอะแยะใช่ไหมคิดต้องมากมายใช่ไหมแต่ถ้าเรากลับมารู้สึกตัวนะกำลังเดิน uh, กําลังสร้างบาปเนี่ยมันออกจากความคิดได้แล้วนะคือกลับมารู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ uh, กาลังสร้างบาะก็รู้ว่ากําลังสร้างบาปไม่ต้องใส่ความคิดเลยนะกาลังเดินก็กลับมารู้กาลังเดินแค่เนี้ยออกจากความคิดได้แล้วนะตรงนี้จิตก็จะเกิดการรู้บ่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้ว เ, เขาอยู่ก็เราไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวเาก็แวบไปคิดแล้วใช่ไหม แวะไปคิดแล้วนะเขาอยู่ไม่ได้นานอแต่ว่ากาจากการเขาแว บ, บไปคิดนั่นแนะ่ะตรงเนี้ยปรากฏว่าจิตมันมีมีที่อยู่ของจิตแล้วที่อยู่ของจิตก็คือทําให้จิตเนี่ยเขามีเครื่องอยู่นะคือเครื่องอาศัยให้เขาเป็นหลักอเกาะอยู่ได้นะจิตก็จะไปไม่ไปคิดนานนะคิดแว บ, บหนึ่งก็กลับมาแวบบหนึ่งก็กลับมาเพราะว่าเขามีเครื่องอยู่กับปัจจุบันแล้วเนาะนี่ย <c oughs> เพราะะนั้นสภาวันนี้จึงเป็นสภาวันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนจริงๆแล้วเราก็คิดไปเรื่อยนะมันก็ไม่เคยจะรู้ตัวหรอกเราก็จะจมอยู่ในความคิดบนอยู่ในความคิดต่างๆมากมายเนาะเหมือนกับเราอยู่ในอ่าในทะเลแห่งหนึ่งเนาะทะเลแห่งหนึ่งแล้วก็ว่ายน้ําอยู่ในทะเลนะเราก็มองมอะไรไม่ค่อยชัดหรอกก็ไว่ายบปตามกระแสน้ํำเรื่อยๆนะคราวนี้เราก็ไปเจอเกาะเล็กๆอยู่เกาะหนึ่งนะเกาะเล็กๆก่อนก่อน ก่อนหเราก็ขึ้นมานั่งบนเกาะนะครับเมื่อเรานั่งบนเกาะได้แล้วเราก็จะเห็นอมีหมาเน่าลอยมานะมีขยะลอยมาหรือมีเรือสวยๆลอยมานะหรือว่าเห็นวิวต่งางๆสวยๆมากมายเนาะสิ่งเหล่านี้ยก็คือเมื่อเรามีมีเกาะนะเราก็จะเห็นสิ่งต่างได้ว่าเอออสิ่งต่างมันก็ผ่านมาก็ผ่านไปหมาเน่าลอยมาก็ผ่านไป เรือลอยมาก็ผ่านไปสิ่งต่างก็ผ่านไปหมดนะเพราะาเราเราสามารถเห็นเขาได้แล้วนะเกาะนั่นแหละก็คือการรู้สึกตัวนั่นเองนะเมื่อเราสามารถรู้สึกตัวได้เราก็จะสังเกตจิตใจของเราได้ว่าเออมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวก็อาจจะมีความไม่พอใจมีความโกรธมีความเกลียดมีความอิจฉามีความหึงหวงมีความน้อยใจมีความเสียใจต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ก็เป็นมาเน่ามันลอยมานนะเราก็แค่ดูมันเท่านั้นเอง เราก็ไม่ได้ไปเอ่อไปขับไล่มันหรือไปเกียรดมันหรือว่าต้องไปจัดการอะไรกับมันแล้วก็ดูมันผ่านไปนะเรานั่งบนเกาะไม่มีหน้าที่ทำอะไรเลยเพราะเราจะไปทําอะไรกับมันไม่ได้อยู่ไกลเนาะเห็นนั้นผ่านไปเฉยเฉยอ่ามีเรือสวยๆผ่านมาแล้วก็เห็นเฉยเฉยนะเราก็ไม่ไปไหว้เป็นน้าไปหาเรือใช่ไหมเพราะเรือมันก็อยู่ไกลเราว่ายน้าไปไม่ได้หรอกนะวิวสวยๆก็เห็นแต่เราก็ไปหาวิวนั้นก็ไม่ไม่ต้องหาเนาะมันก็อยู่ไกลนะ เราก็เห็นอารมณ์ต่างๆผ่ามันที่ดีๆเอคนมาชมเราก็ดีใจหรือว่าใครมาทําดีกับเราเราก็ชอบใจเห็นดอกไม้สวยงามเราชอบใจอเห็นสิ่งต่างสวยงามก็ชอบใจนะต่างๆเนี่ยแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็ดูเฉยๆเท่านั้นเองนะมันก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนี่แหละตรงนี้ก็คือเราก็สามารถสถังเกตจิตใจเราได้ว่าเมันก็เป็นผู้ดูนะมันก็เป็นผู้ดูไม่ได้เป็นอ ผ, ผู้เป็นมาสมัยก่อนแล้วนะเพราะว่าเรา อ่าสามารถรู้สึกตัวได้นะมันเหมือนกับมีเกาะมีหลักให้เราอาศัยอยู่นะแต่ถ้าเราไม่มีเกาะไม่มีหลักก็จะไหลไปตามน้ําเรื่อยๆนะอ่าบางทีก็ไปเจอหมาเน่าลอยมาแล้วก็ไปเกาะหมาเน่าเลยนะเกาะหมาเน่าโอ้เกาะหมาเน่าไปเหม็นไปตลอดก็ไม่อนความโกรธเกิดแล้วก็ไหลไปในความโกรธเลยนะก็เหม็นกับความโกรธในตลอดนะอาเรือสวยๆผ่านมาก็ไปเกาะเลยนะอาไปชื่นชมเมื่อเรือมันสวยจังเลยนะอาไปดีใจกับเรือเนี่ยอาลมีดีผ่านมา อความชอบใจความยินดีก็ไปติดในอารมณนั้นนะก็เหมือนกับเราก็ไปเกาะเรือ อ, อันนี้เพราะเราไม่มีหลักนะไม่มีหลักเราก็ลไหลไปตามน้ําเจออะไรก็เกาะไปเรื่อยๆเนาะใจไม่มีกําลังนะอันเนี้ยโดยอาศัยที่เรามารู้สึกตัวก่อนอยู่ปัจจุบันนี่แหละก็เห็นอารมณ์เห็นความคิดไปเรื่อยๆนะเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับความคิดหรอกใช่ไหมแต่เมื่อมาเรามีหลักใจ ในการรู้สึกตัวแล้วสามารถสังเกตกายได้แล้วเราก็เห็นความคิดได้เองนะไม่ต้องไปยุ่งเข้าเราก็เห็นได้ไม่ต้องไปคอยเพง่งคอยจ้องความคิดเอ่อความคิดจะเกิดเมื่อไหร่ต้องคอยดูเขาะนะอ่าคอยดูความคิดนะหรือความโกรธ ต, ต้องไปคอยดูความโกรธความรักมาต้องไปคอยดูความรักอันนั้นไม่ถูกนะเพราะเราไปเพ่งเอาไปคอยดูไม่ได้นะอ่าก่อนจะเกิดอารมณ์เราไปตั้งใจดูไม่ได้นะเหมือนกับฝนยังไม่ตกนะจะไปกลางลมก็ไม่ได้นะอ่ากลางลมก่อนไม่ต้องให้ฝนตกก่อน ก็คือให้อารมณ์ต่างๆหรือความคิดเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็ค่อยตามรู้ไปนะแต่คนที่ดูตรงนี้ไม่เป็นก็จะไปคอยจ้องคอยดูเนี่ยเป็นการไปเพ่งกันหมดเลยนะแต่การที่เรามารู้กายเราไม่ได้ไปคอยเพง่งคอยจ้องอะไรล้วก็รู้กายไปนั่นแหละแต่เมื่อมีอารมณ์ต่างๆหรือความคิดเกิดมาเราก็สังเกตได้ง่ายสังเกตได้เร็วเพราะว่าเราไม่ได้ไปคอยจ้องคอยเพง่งแต่ว่าเป็นการที่เรียกว่าเรามีจิตตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจในตรงนี้เรามันจะเห็นสภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นได้ชัดเจน โดยที่ไม่ต้ไปเพ่งไปจ้องนะเราหลังนั้นเราก็เป็นผู้ดูได้ชัดเจนด้วยดูยด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางนะดูต่างๆมันก็เป็นกลางก็เราอยู่บนเกาะนั่นเองนะไม่ต้องไปขับไล่ใส่ส่งเขาไม่ต้องไปยึดสิ่งนี้ดีๆนะเป็นกลางคือเป็นผู้ดูเฉยๆนะรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนี่แหละครูาบาอาจารย์บอกรู้เฉยๆรู้สึกอๆก็คือความที่เป็นกลางนั่นเองไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปเสียใจเกี่กับเขา ไม่ต้องไปยินดียินรล่นะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นความเป็นการก็จะไม่ไปปรุงแต่งต่อเนาะเพรจริงๆแล้วนะอ่าความทุกข์มันเกิดจากอะไรความทุกข์มันเกิดจากว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตากระทบลูกหูได้ยินเสียงหรือว่าใจนึกคิดมันก็จะไปปรุงแต่งต่อนะปรุงแต่งต่อเป็นความอ่าพอใจไม่พอใจเป็นความรักความชังความเกลียดความโกรธความโลภความหลงมากมายเนาะ นี่แหละความทุกข์มันเกิดจากการที่ใจไปปรุงแต่งต่อหรือที่เราว่าสังขารนั่นเองนะสังขารนี่แหละมันไปปรุงแต่งต่อนะมันไม่ได้รู้เฉยเนาะการนี้กาไปปรุงแต่งต่อไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งนั้นนะเป็นเป็นเหตุดิจัยกระเพื่มอมใจมันดิ้นรนนะใจมันไม่อยู่สุขใช่ไหมใจมันขึ้นขึ้ น, นลงๆเนาะตรงเนี้คือภ่าวะธรรมที่ใจไปปรุงแต่งต่อทั้งนั้นนะ ใจที่มันไม่ปรุงแต่งตอบก็คือมันรู้เฉยๆรู้ซื่อๆใจมันก็เป็นกลางเป็นปกติได้เนาะถึงมันจะขยับก็ขยับนิดหน่อยแล้วรู้ทันมันก็เป็นปกติแล้วนะอ่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนมากใจเราจะรู้ไม่ทันนะเหมือนกับกิโลสมัยก่อนนะมันจะมีกิโลประเภทอ่าห้าสิบกิโลเนี่ยบางทีเราเอาหินก้อนขนาดอ่าพอสมควรไม่ได้ใหญ่มาไปวางเข็มแม่กระดิกแเลยนะเข็มมันนิ่งเลยมันมันมันไม่ไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้มีน้ำหนักอยู่มันตัวมันเนาะ แต่สมัยนี้มันจะมีกิโลดิจิตอนนะบางทีคนนกตกไปเข็มยังกระดิกเลยนะใจเราเหมือนกันใจที่คนไม่เคยฝึกนั่นแหละก็เหมือนกับกิโลห้าสิบกิโลนะบางทีของอมีน้ําหนักลงไปก็ไม่รู้เรื่องนะเหมือนกับเรามีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาก็ไม่รู้เรื่องเออตอนนี้มีความโกรธบางคนโกรธก็ไม่รู้แล้วมีความโกรธอยู่นะเนี่ยแสดงว่าเรารู้ไม่ทันกิเลสเราเราก็จะมีความทุกข์ในตรงนั้นนะ <c oughs> มีความทุกข์บางทีมันก็ไปทําอันตรายยิ่งกว่าความทุกข์ไปไ ป, ไปโกรธเขาเนี่ยมันเฉยๆก็ไม่เป็นไรนะ บางทีก็ไปด่าเขานะเดี๋ยวนี้ด่าง่ายกว่าสมัยก่อนนะนึกไม่พอใจก็กดอินเทอร์เน็ตนะเล่นเฟซบุ o กไลน์ด่ากันเลยนะเสร็จแล้วมันนั่งเสียใจทีหลังก็ไม่น่าไปทํางั้นเลยนะมันง่ายหน่อยใช่ไหมสมัยก่อนมันต้องเจอสมัยก่อนจะด่าต้องรอพุ่งในเช้าค่อยๆเจอกันคืนหนึ่งเราก็อารถมาดับกันแล้วนะเดี๋ยวนี้มันง่ายกว่าสมัยก่อนมันด่าได้ทันทีทันใดเนาะมันจึงอันตรายนะตรงเนี้ยเพราะเรารู้ไม่ทันอารมณ์เราเอง แต่เมื่อใจเราเป็ดิกปุ๊บเรารู้ทันนีนมันรู้แล้วตอนนี้จะทําหรือไม่ทําอะไรมันจะมีสติตามมาว่าเออสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทํานะตรงนี้มันจะมีปัญญามีสติเข้ามาแก้ไขได้ทันเรายิ่งในสมัยยุคสนะื่อดิจิตอลต่างๆที่รวดเร็วเราต้องมีสติให้ไวกว่ามันนะถ้าไม่ไวมันเนอันตรายมากเพราะว่ามันจะไปแชร์วุ่นเนี่ยอันตรายที่สุดเลยนะมันจะเสียหายกับคนเป็นจํานวนมากใช่ไหมตรงเนี้มันจึงว่าเราต้องรู้เท่าทันกิเลสให้เร็วนะเดี๋ยวนี้ กิเลสมันเร็วเมา่อก่อนเยอะนะมันไวนะเราต้องมีสติไวกว่าสมัยก่อนเนาะถึงต้องมาฝึกกันอย่างรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆให้ได้เนาะครั้งนี้เมื่อเรามีจิตตั้งมั่นแล้วเป็นกลางแล้วสิ่งต์ตามมาเราก็เห็นว่าเออกายและใจเนะี่ยมันแยกกันทํางานนันไม่ใช่เราหรอก <c oughs> บางทีเราเดินจงกรมนะโ <c oughs> ดนยนงกรมนี่บางทีเราเดินไปเดินมาแล้วก็เห็นว่าเออตรงนี้มันก็แค่กายมันเดินนะกายมันเดินแล้วเป็นผู้ดูไปเป็นผู้ดูกายเขาเดินนะอ่ะ เมื่อก่อนเดินใหม่ๆก็เป็นตัวเราเดินนะเป็นตัวเราเดินตลอดแต่เมื่อเราเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาก็คือมันเป็นกายเดินไม่ใเราเดินนะกายเนี่ยมีอาการก็คือการที่กายมันเดินไม่ใช่เราเดินเนี่ยตรงเนี้มันเป็นการแยกรูปแล้วเดินเดินไปก็มีความคิดเกิดขึ้นเราก็เห็นเออใจมันคิดเองนะไม่เราคิดหรอกนะถ้าใจมันถ้ามันเรารู้ว่ามันจะคิดเราก็ไม่ไปคิดแล้วแต่มันที่มันคิดน่ยเพราเรารู้ไม่ทันมันมันจึงคิดไปเแล้วยังไม่รู้เลย ว่านาทียังหน้ามันจะคิดอะไรแลมันก็คิดไม่ไปเรื่อยๆทั้งวันใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมใจมันทํางานเองแล้วไปพูดดูไปนะดูใจมันทํางานเองมันไม่เราคิดใจมันทํางานไม่ให้เรากายก็ทำงานก็ไม่เราเราเป็นแค่ผู้ดูตรงนี้ถ้ากายเห็นตรงนี้มันจะแยกรูปแยกนามแล้วนะมาก่อนเป็นเราคิดนะเราคิดเราเดินตอนหลังมันจะแยกเป็น3มอย่างคือมีกายตัวหนึ่งมีใจตัวหนึ่งแล้วมีเราเป็นผู้ดูตัวหนึ่งนะมันจะแยกเราเป็นผู้ดูดูกายมันเดินดูใจมันคิด นะมันไม่ตัวเราแล้วนะมันจะเป็นแยกเป็นเป็นผู้รู้ผู้ดูไปไม่ใช่ไม่ใช่เรานะไม่ใช่เป็นผู้เป็นเป็นผู้ดูนะตรงนี้มันจะเห็นตรงนี้ว่าเออมันเริ่มแยกแล้วแยกกายแยกแยกใจแยกธาตุแกขันยากรูปยากนามมาให้เราเห็นเนาะบามหน้าที่เป็นผู้ดูท่านั้นเองนะถ้าใครเป็นถ้าเราเป็นผู้ดูได้เนี่ยมันก็ไม่เป็นผู้เป็นเพราะว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเราจะเป็นผู้เป็นนะเป็นผู้โกรธเป็นผู้รักเป็นผู้ชังเป็นผู้เกลียด เป็นผู้เครียดเนาะแต่เมื่อเราสามารถที่แยกงานแยกกายและใจโดยจิตตั้งมาแล้วเป็นกลางแล้วเลยเห็นว่าเออกายและใจมันทํางานเองเราไม่ได้เป็นผู้เป็นนะกายมันก็ทํางานมันไปมันก็เดินมันไปเราก็ดูมันไม่ได้เป็นผู้เดินนะอาใจมันโกรธเราก็เป็นผู้ดูความโกรธไม่ใช่เราโกรธมันแยกมาเป็นผู้ดูนะเราก็จะความทุกได้นะตรงนี้การที่เราเห็นกายและใจมันทํางานมันแยกมา อเป็นผู้ ด, ดูไม่พวกเป็นหลวงพ่ากำเขียนมาว่านี่แหละเป็นเพชฌแห่งธรรมเนาะเป็นเพชฌแห่งธรรมเลยก็คือตรงเนี้เอาจะความทุกข์ได้ไม่ยากเนาะเหมือนกับมีนักปฏิบัติคนนึ่งมาถามหลวงพ่อว่าเออหนูมีความเครียดมากหลวงพ่อบอกว่าให้ถามใหม่อะวันนี้หนูเห็นความเครียดเนี่ยหลวงพ่อบอกใช้ได้เนาะถามถูกต้องแล้วเนาะตรงเนี้ยถ้าเราเห็นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเราบังคับเขาไม่ได้นะทุกอย่างเนี่ยเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เลยได้ไหม ความคิดเนี่ยเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมเราไม่รู้ว่าจะคิดอะไรต่อไปไม่รู้ว่าเขาจะคิดอะไรคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทั้งหมดเลยนะใจมันทํางานเองนะเราเห็นตรงนี้มันชัดเจนเราบังคับก็ไม่ได้เราไปฏิบัติธรรมเม่อเมื่อวานเนี่ยมันดีจังเลยนะมีสติเกับทั้งวันรู้สึกดกีทั้งวัน <c oughs> วันนี้ปรากฏ ว, ว่าความของตัวหายกับหมดนะมีแต่ความฟุ้งซ่านนี่แหละก็แสดงความไม่เที่ยงแล้วนะอะเราก็ไม่มีความถูกเข า, ขาเขาเนี่ก็แสดงว่าเราบังคับก็ไม่ได้ เพราะจิตใจหรือร่างกายนี่แหละมันตกในพระไตรลักษณ์เหมือนที่เมื่อกี้ที่เราสวดบทอนตัอนนตตะลักนักสูตรอันนี้เป็นพระสูตรที่สําคัญมากเนาะอันนี้คือปัญญวคีน่ะตอนที่ฟังธรรมจักแล้วบรรลุปเป็นพระโสดาบันแต่ไม่มีใครเป็นพระหรหันต์แต่หลังจากนั้นนะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสด ง, สดงอนตัตตะลักนัสูตรให้ฟังพอจบแล้วก็บรรลุปเป็นพระหรหันต์หมดเลยเนาะก็พระพุทธเจ้าก็ทรงถามปัญญวคีว่าดูความภิสูจ์ทั้งหลาย รูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณคือการละใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าส claro> ิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาควรหรือตามคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นวันพระเจ้าค่าหลังจากนั้นก็ทรงแยกแยะว่าเออรูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตอย่างไร พอฟังจบแล้วก็บรรลุเป็นพลรหรัสนะหมดเนาะตรงนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญก็คือจริงๆแล้วการบัตดทมนี้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าวิธีใดๆอก็เพื่อหให้เห็นให้เห็นว่าใจรักทท่งนั้นเองว่าเราบังคับเข้าไม่ได้นะอ่าเมื่อเขาเมื่อเราบังคับเข้าไม่ได้ก็จึงไม่ตัวไม่ตนของเราแต่เราบังคับให้เราตามใจเราได้เป็นไปตามเราต้องการนั้นก็เป็นเป็ น, ต, ปนตัวเป็นตนของเราเนาะเพราะการที่เราเห็นว่าเราบังคับเข้าไม่ได้เนี่ยจึงเป็นประเด็นที่ว่าเราจะต้องเข้ามารับรู้ในตรงนี้นะ การบัตรทำมันก็แสดงในตรงนี้ให้ชัดเจนอยู่แล้วนะเราบังคับก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมให้เขาดีตามที่เราต้องการก็ไม่ได้นะเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีนะหรือ่ปไปบัติธรรมแล้วมันก็มีความทุกข์ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวก็ง่วงนอนนะง่วงนอนกับทั้งวัน <c oughs> ง่วงนอนเนี่ยเจอเจอบ่อยใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวก็เบื่อใช่ไหมเบื่อนะเบื่อนี่ก็คือความทุกข์นะ เดี๋ยวก็มเมื่อยใช่ไหมปวดเมื่อยนั่งา น, นานๆก็ต Sta ้องมาเปลี่ยนเป็นเดินโยกกลมอันนี้เป็นการปวดเมื่อยเราก็ไปแก้ความทุกข์ต่างหากไม่ได้ทําตามใจเราใช่ไหมไปบัตรรมแล้วเราก็เห็นไหมจิตใจเราก็บังคับเขาไม่ได้น ะ, ะการเบื่อการเมื่อยการง่วงนั่นแหละเร า, ราบังคับเขาไม่ได้หรอกเขาจึงเป็นแบบนั้นความคิดเราก็บังคับเขาไม่ได้นะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวว่าคิดทุ่งซ่านนะเดี๋ยวก็คิดถึงบ้านมั่งคิดถึงคนนน้นคนนี้มั่ง เราบังคับอะไรก็ไม่ได้เลยนะตรงเนี้ยถ้าเราเห็นตรงนี้บ่อยๆจิตใจจะเริ่มเข้าใจว่ามันไม่ตัวไม่ตนของเราจริงๆนะอเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันไม่ใได้เป็นสิ่งที่ว่าเราไปบัตรธรรมเพื่อต้องได้อะไรหรือต้องเป็นอะไรหรือต้องบรรลุธรรมอะไรแต่จริงๆก็เป็นการบัตรธรรมเพื่อเห็นความจริงต่างหากว่าเราบังคับอะไรก็ไม่ได้เลยนะเมื่อเราเข้าใจในตรงนี้ปั๊บว่าเราบังคับเขาไม่ได้ก็จะเกิดสภาวะหนึ่งเกิดมาคือการที่เราเกิด nenhum, ค, ความเบื่อหน่ายเกิดการคลายกำหนัด เกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดการคลายออกออกจากตันหานะตรงนี้คือประเด็นสําคัญต่างหากที่ว่าเราต้องไปเอาอะไรกับเขานะการที่เราจะเอาอะไรก็อย่างเป็นสิ่งที่ดีนะเราไปบัตรธรรมก็อยากจะได้นู่นได้นี่อันนี้ก็คือสิ่งที่ดีแต่ว่านั่นแหละคือตันหาตัวหนึ่งนะการที่เราไปบัตร ด, ด้วยตันหานั่นก็จะมีแต่ความทุกข์นะแต่การบัตรด้วยฉันทักคือเราพอใจในการบัตรบัตรเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเป็นสังคบูชาเป็นอาจาริบูชานี่คือเป็นบุญเป็นอุศนะ เราไม่ต้องไปบัตรเพื่อต้องการอะไรแต่เป็นการบัตรเพื่อเป็นพุทธบูชาเท่านั้นนอกนั้นคือผลพลอยได้นะผลพลอยได้ก็คือเราไปบัตรแล้วมีสตินี่คือผลพลอยได้แต่จุดมุ่งหมายคือให้เราเข้าใจในภรรยารักต่างหากให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนักตาหลังนั้นจิต ก, ก็จะเกิดการเข้าใจเกิดการปล่อยวางการไม่ ย, ยึดไม่ ย, ยึดติดตามมาการออกจากขันห้าการเห็นรูปเห็นนามการเห็นกายและใจเนอกตรงนี้คือประเด็นสําคัญในการบัตรทำ ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจราจะรู้สึกว่าการปฏิบัตินันไม่ยากนะมันไม่เป็นไรเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรเนาะอามันไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เข้าใจมีความทุกข์ก็ทําไมเราไม่ดีนะบัดนั้นมาตั้งสามสี่วันมันไม่มันจะดีเลยอ่าทําไมไม่มีดีถาบอรนะทําไมมันไม่มรรู้ธรรมจะเห็นไม่ตรงนี้มีตัวตนเราแฝงอยู่ทั้งนั้นเลยเนาะเราสวดมนต์ทุกวันนะตอนเช้าสัพเพสั่งข่าลานิจจาสัพเพสังขาราทุกขา สัพเพสร้างฆาลานัตตาก็คืออ่าร่างกา ย, ยจิตใจเราเนี่ยมันเป็นทุกข์เม้นมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเราสวดมนต์ทุกวั น, นะตรงนี้เราเป็นสิ่งพุทเจ้าได้บอกไว้แล้วนะว่าตรงเนี้ยมันเป็นนัตตาอยู่แล้วเนาะคาราวนี้ตรงนี้เราไม่ต้องไปคอยยุ่งกับมันนะไม่ต้องไปคอยละต่างๆอไม่ต้องไปคอยละอัตาไม่ต้องไปคอยละอะไรหรอก แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีตาทั้งต้นแล้วนะไม่ใช่ตัวไม่ต้นตั้งต้นแล้วเพียงแต่เราแค่ถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนเท่านั้นเองเนาะคือการมาทําเนี่ยเป็นการถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตน <c oughs> ว่ามีอยู่นะเมื่อจิตสามารถถอดถอนตรงนี้ได้แล้วมันก็จะเกิดการปล่อยการวางการมียึดติดแท้จริงนะแต่ถ้ามันยังถอดถอนไม่ได้จะมีตัวเราอยู่นะมีตัวเรารักตัวเราชาั่งมีตัวของเรา เราต้องไปบัตรพฤกษ์กันละอัตตาโตตนนะตรงนี้เป็นผลทางเดินช้าเนาะเพราะจริงๆแล้วนะกิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่ของเราเนาะร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าร่างกายไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเนาะแต่จิตใจเราจะเข้าใจเป็นของเราอยู่น ะ, นะไมื่จิตใจเป็นของเรานะเราก็ต้องไปคอยละกิเลสทั้งหลายแหละแต่ในเมื่อถ้าจิตใจเป็นเราแล้วสิ่งนี้ก็จะจิตใจคือการดุจจิตเช่นความรักความโกรธกิเลสความโลภความหลงต่างๆเป็นต้นมันจึงไม่ใช่ของเราด้วยนะ เราจึงต้องถอดถอนในตรงนี้ว่าเออมันก็ไม่ใช่ของเราเรามีหน้าที่แค่รู้แค่ดูบ่อยๆเท่านั้นว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่ตัวเม่ตนนะเพราะสิ่งตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้ตัวการประทับมันก็ไม่ยากเนาะไม่ต้อไปคอยลากกิเลสอะไรแค่เรารู้ทันมันบ่อยๆเท่านั้นเองเนาะเหมันที่มึงคนถานหลวงปู่ดูลบ้ามีใครลากความโกรธได้เด็ดขาดไหมไม่มีใครลากความโกรธได้เด็ดขาดหลอกนะหลวงปู่มีความโกรธอยู่ไหมมีแต่ไม่เอาเนาะตรงเนี้คือสภาวะต่างๆนะมันมีได้ อยู่ที่ว่าเราจะเอาหรือไม่เอาเราเห็นไหมว่าจริงๆแล้วกิเลสทั้งหลายก็ไม่ตัวไม่ตนเหมือนกันนะเราจรึงไม่ต้องไปยึดติดในอะไรเราแค่รู้ทันบ่อยๆเท่านั้นเองนะรู้ทันบ่อยแล้วเขาก็จะน้อยลงหายไปในที่สุดนะกิเลสทั้งหลายไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวเรารู้ทันเท่านั้นเอง น, นะถ้าเรารู้ไม่ทันเขาจะมาบอ่อยแต่ถ้ารู้ทันแล้วเขาจะจากไปเขาจะนานๆมาทีแล้วในสุดก็จะหายไปนะจึงว่าเราต้องรู้ทันบ่อยๆนะกิเลสทั้งหลายแหล่นี้เมื่อรู้ทันแล้วทํำยังไงต่อไปก็คือรู้ซื่อๆรู้เฉยๆไม่ต้องจัดการเขา เท่นั้นเองนะเป็นผู้ ด, ดูไม่เป็นผู้เป็นหลังนั้นที่เราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะเกิดภาวะอันหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คือไม่เป็นอะไรกับไรนะไม่เป็นอะไรกับไรก็คือมันไม่ได้ยุ่งกับอะไรทั้งนั้น man, ไม่ตัวไม่ตนของเราแล้วไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครทั้งนั้นไม่ได้ยุ่งกับสิ่งใดทั้งนั้นมันเป็นของมันเช่นนั้นเองเนาะตรงนี้หลงข้อคําเขียนะ ว, ว่าเป็นมงกุฎแห่งธรรมนะผู้ใดทั้งตรงนี้ก็จะเข้าถึงอบาลุปเป็นเป็นภระยาเจ้าได้นะเพราะในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบามีคุณมรรคตรัย น้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอญ